บทที่9ตายเฉียบพลันแมรี่อีวานกล่าวไว้ว่าพวกเขาจะเฝ้ารอคนที่รักมากที่สุดถ้าเธอยังอยู่บนโลกเธออาจร้องเพลงทุกคนรักใครบางคนและใครบางคนก็รักคุณอาร์ตพริเชตมีพี่สาวที่หายสาบสูญไปนานนายบิ๊กมีแม่จอร์จฮอปกินมีภรรยา และแมรี่อีวานได้เจอพ่อแม่พี่สาวและสามีแต่ใครจะให้บ้านดังสวงสวรรค์มอบชายคาวคุ้มศีรษะให้แก่เด็กหนุ่มผู้ถูกสังหารในสงครามพวกเขาจะได้แต่งงานทิ้งให้พ่อแม่ของเขาและทุกคนที่สนิทรักใครคอยอยู่บนโลกอย่างนั้นหรือเราได้คำตอบนี้ในวันที่16รกฎาคมปี1966เสียงของชายหนุ่มดังขึ้น บอกเขาว่าตัวเขาชื่อเทอร์รี่สมิธเขาบอกว่าโดนระเบิดตอนที่กระสุนจากบิชมาร์ทจมฮุดเรือรบอังกฤษลงในท้องน้ำสีเขียวเย็นเยียบแห่งแอตแลนติกเหนือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเขาทบทวนพวกเขาไม่มีใครมีโอกาสเลยมันหมดหวังเบตตี้กรีนเว้นจังหวะ ก, ก่อนย่อนคำถามเปิดเทอร์รี่คุณอธิบายปฏิกิริยาของคุณได้ไหม ตอนคุณรู้สึกว่าตัวคุณยังมีชีวิตอยู่เกิดอะไรขึ้นกับคุณสิ่งแรกที่ผมจำได้คือผมกำลังเดินอยู่บนถนนเป็นถนนสายที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้สินะทุกอย่างสะดุดตาต้นไม้สวยงามสองฝาถนนบ้านหลังสวยๆมีบังกะโลเล็กๆอยู่ตรงนี้ตรงนั้นและมีบ้านหลังใหญ่ๆผมจำที่แห่งนี้ไม่ได้มันคล้ายกับ เป็นที่แห่งใดแห่งหนึ่งอาจอยู่ในแคลิฟอร์เนียผมเคยเห็นในรูปนะถนนมันจะกว้างต้นไม้สองข้างทางเนินดินลานกว้างบ้านหลังเล็กๆงดงามผมจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่มีใครอื่นเลยเหมือนมีผมอยู่คนเดียวก็เลยคิดว่านี่มันประหลาดมากผมคงจะฝันไปเพราะไม่คุ้นกับถนนเส้นนี้เลยแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ทาให้ตัวเองมั่นใจ อย่างไรก็ตามผมเดินไปและบ้านหลังสวยๆทั้งหลายก็เงียบกลิบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆไรซึ่งสับผสมเนียงใดๆไม่มีอะไรเลยจนผมเดินมาไกลขึ้นก็เห็นสุภาพสตรีท่าทางอ่อนหวานคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากท่าทางอายุไม่เกินยี่สิบแปดหรืออาจจะสามสิบเธอยืนอยู่ตรงรั้วประตูเล็กๆ ที่เป็นบ้านหลังแรกที่ผมเห็นว่ามันมีประตูรั้วหลังอื่นๆดูเหมือนจะไม่มีนะผมเดินไปตามทางเดินเล็กๆของประตูรั้วด้านนอกแปลกเพราะบ้านหลังอื่นเปิดโล่งไม่มีรั้วล้อมอย่างไรก็ตามสุภาพสตรีร่างเล็กคนนี้น่าขำมากที่เธอดูสาวมากก็นั้นผมก็รู้สึกว่าเธอมีอายุแล้วเธอยืนพิงรั้วอยู่ ผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เธอยิ้มผมจึงหยุดแล้วเธอก็เอ่ยขึ้นมาว่ากำลังมองหาอะไรอยู่เหรอพ่อหนุม่มผมบอกว่าครับเออคือผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนโท่เธออุทานไม่เป็นไรพ่อหนุม่มฉันกำลังรอเธออยู่เข้ามาสิผมคิดก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรนี่เข้าไปสักหน่อยจะเป็นไร อย่างน้อยก็ยังมีคนที่ผมพอจะคุยด้วยได้เธอพาผมเข้าไปที่ยังห้องพักมีห้องเล็กๆน้่นั่งมมาน ล, ลายดอกเก้าอี e, ้ทุกอย่างให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านและก็มีแมวตัวหนึ่งอยู่บนเก้าอี้แมวดำตัวสวยผมคิดว่าแมวหรือผมไม่ได้ตายพร้อมกับแมวสักหน่อยเธอพูดขึ้นว่ามาสิพ่อหนุ่มนั่งลงตรงนี้ ผมก็เลยนั่งลงตรงเก้าอี้ที่ไม่มีแมวเธอถามว่าอยากดื่มอะไรไหมผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องผมอยากดื่มอะไรไหมเหรอผมคิดว่าเธอคงชงชาให้ผมหรืออะไรสักอย่างก็เลยตอบว่าดีครับถ้าคุณจะกรุณาเธอถามว่าแล้วอยากดื่มอะไรล่ะผมคิดว่าตัวเองจะต้องหน้าแตกแน่ผมไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าผมเป็นคอเลา เลยตอบว่างั้นขอน้ำมะนาวก็แล้วกันครับเหรอคะได้เธอออกไปและกลับมาพร้อมน้ำมะนาวหนึ่งแก้วไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกเธอกล่าวฉันกําลังรอเธออยู่รอเหรอครับใช่สิจะ๊ะผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงผมนั่งอยู่ตรงนั้นและเธอก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าเธอตายแล้วอะไรนะครับเธอตายแล้ว ไม่เอาหน้าถ้าผมตายผมคงไม่มานั่งในห้องนี้มีแมวอยู่ตรงนั้นหรอกครับแถมกำลังดื่มมะนาวอยู่ด้วยแล้วคุณเองก็เป็นคนมีตัวตนผมจะตายได้ยังไงแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกอย่างที่นี่มันแปลกมากตอนแรกนะผมคิดด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังฝันไปมันไม่ใช่ความฝันหรอกพอนุม่มเธอบอกเธอตายไปแล้วถ้าคุณบอกว่าผมตายแล้ว แล้วผมมาถึงที่นี่ได้ยังไงล่ะอ๋อนั่นง่ายมากเธอตอบฉันมีหน้าที่คิดให้เธอและฉันได้รับหน้าที่ให้ดูแลเธอคุณหมายความว่าไงที่บอกว่าได้รับหน้าที่ให้ดูแลผมตอนเรือเธอจมแล้วตอนนั้นเองผมก็นึกออกตอนเรือจมสิ่งสุดท้ายที่จำได้ก็คือน้ำทะเล ก, กาลังทะลักเข้ามาความคิดตอนนั้น มีแต่การนึกหาทางเอาตัวรอดแต่แน่นอนตอนนั้นผมก็หมดหนทางแล้วเธอจมน้ําตายหญิงสาวคนนั้นกล่าวอ๋อมีชายหนุ่มอีกหลายร้อยคนเธอบอกที่ตายพร้อมกับเธอเหรอครับใช่และทุกคนก็มีคนคอยดูแลพวกเขามีสถานที่สำหรับพวกเขาบางคนมีคนที่รู้จักมีญาติมีเพื่อน บางคนมีวิญญาณดวงอื่นมาดูแลเธออธิบายเธอไม่รู้หรอกเธอถูกนําพามาที่นี่ซึ่งเธอก็คิดว่ากำลังเดินด้วยตัวเองอยู่บนถนนแต่มันไม่ใช่หรอกเธอมาถึงที่นี่ด้วยแรงบันดาลใจจากจิตที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนที่คอยเสียชีวิตปุกปับอย่างตัวเธอผมไม่เข้าใจอย่า ก, กังวลไปเลยเธอปลอก เธออยู่กับฉันฉันจะดูแลเธอฉันจะเป็นเหมือนแม่ของเธอผมคิดว่านั่นเป็นอะไรบางอย่างและเธอเริ่มคุยถึงเรื่องของผู้คนที่รู้จักผมช็อกเล็กๆเพราะท่าทางของเธอนั้นแสดงให้เห็นว่าเธอรู้จักกับพ่อแม่ผมรู้ว่าพวกเขาแยกทางกันอย่างไรและก็เรื่องพี่สาวผมเรื่องของเราผมเลยถามว่าคุณเป็นญาติของเราหรือเปล่าไม่หรอกจ้า เธอตอบแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ฉันจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับญาติของเธอก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั่นจะช่วยให้ฉันดูแลเธอได้ตลกดีผมบอกก็คุณเพิ่งบอกว่าผมจะมาถึงคุณจะทำยังไงให้รู้จักผมได้ดีขนาดนั้นอ๋อไม่ยากหรอกก็แค่จูนคลื่นจูนคลื่นผมทวนคําฟังดูคล้ายวิทยุเลยนะ เราทำได้เธออธิบายถ้าเรามีเหตุผลพิเศษสำหรับความต้องการที่จะรู้จักใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรืออาจจะหลายคนและนั่นก็เป็นงานซึ่งเราต้องทำเรามีกระแสสัมผัสที่จำเป็นในการร่วงรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเราก็จูนขึ้นความคิดจากนั้นเราก็จะได้เห็นญาติของเธอนั่นคงจะดีมากใช่จะ้ะเธอบอก เธอรู้ไหมพวกเขารู้ว่าเธอตายแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอยังอยู่ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเธอสามารถมองเห็นพวกเขาหรือไปพบพวกเขาได้แต่เธอต้องไม่เสียใจนะถ้าไม่มีใครสามารถมองเห็นเธอได้อ๋อผมทักขึ้นเพราะนึกได้ผมมีป้าซึ่งเป็นผู้ชํานาญทางจิตนั่นก็ดีเธอบอกบางทีเราอาจทำอะไรได้บ้างจากจุดนั้น เราจะลองพยายามติดต่อกับป้าของเธอพอถึงเวลาเธอต้องพยายามปรับตัวรู้จักที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ฉันมีลูกชายคนหนึ่งอยู่บนโลกและฉันหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเขามาที่นี่เราคงจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งฉันหวังไว้เช่นนั้นแต่ตอนนี้ฉันจะดูแลเธอเหมือนเธอเป็นลูกชายของฉัน ฉันจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้และจะพยายามทำให้เธอมีความสุขเธอไม่ต้องกังวลหรอกเพราะเธอจะไม่รู้สึกว้าเหวสักพักเมื่อเธอได้พักผ่อนเพราะเหตุการณ์นี้อาจทำให้เธอช็อกบ้างฉันคิดว่าเธอควรพักผ่อนแล้วฉันจะพาเธอออกไปแนะนำให้เธอรู้จักกับคนที่น่าสนใจในละแวกนี้สักพักเมื่อผมพักผ่อนสบายใจแล้ว เธอก็พาผมออกมาข้างนอกมีแสงแดดแม้เธอบอกว่าไม่มีดวงอาทิตย์นั่นเป็นเพราะแสงสว่างจากชีวิตทุกชีวิตส่งพลังงานบางอย่างออกมาหน้าขำเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างนี่อาจฟังดูดปแปลกๆแต่ที่นี่ไม่มีแสงสว่างใดก่อให้เกิดเงาในสายตาผมทุกสิ่งทุกอย่างสดใสปราศจากความกระด้างไม่จาเป็นจะต้องคอยหลบแสง เพราะแสงที่นี่อบอุ่นให้ความรื่นรมไม่ร้อนคุณจะไม่รู้สึกว่าแสงสว่างเหล่านี้แผดเผาคุณมันเป็นความอบอุ่นที่รื่นรมอย่างไรก็ตามเราออกมาผมออกมากับเธอเธอแค่ดึงประตูให้เปิดออกคุณจะล็อกประตูหรือเปล่าผมถามที่นี่ไม่จําเป็นหรอกผมเล่าให้คุณฟังไปแล้วว่าตอนแรกที่เรามาที่นี่ ถนนสายต่างๆว่างเปล่าไม่มีคนเหมือนเป็นเมืองร้างและทุกอย่างดูสงบสะอาดเรียบร้อยราวกับทุกคนหลบไปนอนกลางวันแต่คราวนี้พอออกมาข้างนอกบนถนนก็ยังกับทุกคนออกจากบ้านมาพร้อมกันพวกเขายืนอยู่ตรงประตูบ้านไม่ก็เดินตามทางขท้าและไม่ทันที่ผมจะได้เดินออกไปไกลนะักผมก็ถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนหนุ่มสาว มีไม่กี่คนที่ดูเหมือนมีอายุแต่เมื่อมองอีกทีพวกเขาไม่แก่มีบางอย่างในตัวเขาที่บอกให้ผมทราบถึงอายุและพวกเขาก็ดูไม่แก่เลยผมอธิบายไม่ค่อยถูกหรอกอย่างไรเสียพวกเขาก็เข้ามาจาับมือทักทายกับผมเรียกชื่อผมคิดว่าน่าแปลกมากที่ทุกคนรู้จักชื่อผมและทุกคนเรียกผมว่าเทอร์รี่เากับพวกเขารู้จักผมมาตลอดชีวิต ผมตระหนักหลังจากนั้นว่าถ้ามีใครคนใหม่มาสู่ชุมชนของพวกเขาหรือมีสมาชิกใหม่มาจากโลกที่นี่คือชุมชนพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ที่มาใหม่เหล่านั้นเป็นเหมือนแหล่งแนะแนวทางให้แก่พวกเขาอย่างตอนนี้พวกเขาอยู่รอบข้างผมให้การต้อนรับจนรู้สึกว่าผมอยู่ท่ามกลางเพื่อนเก่าแก่จริงๆที่นี่พิเศษมาก ทุกคนตายไปแล้วและไม่มีความกังวลใจใดๆทุกคนอยู่ที่นี่ต้อนรับผมผมจึงถามผู้นำทางว่าทำไมตอนผมมาถึงไม่เห็นมีใครออกมาต้อนรับผมเลยอ๋อเธออธิบายนั่นเป็นเจตนาทำไมล่ะครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญมันจำเป็นจริงๆเพราะเธอจะต้องตรงมาหาฉันเนื่องจากฉันเป็นคนที่ถูกเลือกให้ดูแลเธอ คนอื่นๆก็รู้ถึงการมาที่นี่ของเธอทุกบ้านที่เธอเดินผ่านแม้เธอมองไม่เห็นใครความารักของพวกเขาก็แผ่ออกมาให้แก่เธอพวกเขารู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่สมควรเธอจะปรับตัวเองพร้อมกับมีชั้นคอยช่วยเหลือทีละน้อยทีละน้อ ย, ลอยแล้วเธอก็จะพร้อมเข้าสู่การต้อนรับจากผู้คนเหล่านี้ถ้าพวกเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเธออาจจะ รับเรื่องนี้ไม่ค่อยทันคราวนี้เธอปรับตัวได้แล้วเธอเอ๋ยเธอกําลังได้รู้จักใครๆและสิ่งต่อไปที่เธอจะได้พบก็คืองานของเธองานที่เธออยากทําแต่ก่อนนั้นคงเป็นความคิดที่ดีในการที่จะกลับไปยังโลกและดูว่าญาติของเธอเป็นอย่างไรกันบ้างและดูซิว่าเราจะทําอะไรกันบ้างในตอนนี้ เทอรีสสมิธพอจะเดาได้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายตระเตรียมบ้านไว้ให้พ่อแม่ของเขาหรือพี่สาวแต่ถ้าใครสักคนไม่เคยทำอะไรได้รุ้ล่วงบนโลกมนุษย์เลยเขาจะจัดระบบใหม่ได้อย่างไรมนุษยสัมพันธ์บนโลกจะต้องเกิดขึ้นโดยปราศจากการอบรมศึกษาใหม่บนสวงสวรรค์คำตอบนี้มีมาในวันที่8ธันวาคมปี1965 ขณะที่ชาวบ้านคนอื่นกำลังคิดถึงการช้อปปิ้งในวันคริสต์มาสในห้องประชุมทรงความเงียบก็ถูกทำลายลงด้วยการประกาศว่าฉันชื่อจอร์ด์วิลมอตฉันวนเวียนอยู่แถวนี้หลายครั้งเขาพูดต่อฟังบทสนทนาต่างๆและฉันคิดว่าวันหนึ่งฉันคงจะได้มาพวกเธอไม่รู้หรอกว่าโชคดีกันแค่ไหนคุณวิลมอตคะเบ็ตตี้กรีนทักทาย เราเรื่องของคุณให้เราฟังจะได้ไหนคะฉันเป็นคนเก็บของใช้แล้วมาขายเขาเล่าให้ฟังใช่ฉันตระเวนไปตามบ้านต่างๆเก็บอะไรที่พวกเขาทิ้งแล้วไม่ใช้แล้วฉันเอามันมาขายเลี้ยงชีพนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าชีวิตบางคราวถ้าฉันโชคดีได้ของมีราคามีคุณค่าขายได้เงินแต่ฉันก็ไม่ได้โชคดีเสมอไปเราคง เออคงคุยนอกเรื่องกันมามากแล้วนะฉันว่าอย่างไรก็ตามฉันมีความสุขที่จะได้ไปให้พ้นพ้นกับโลกใบนี้ฉันมีเวลาที่จะได้ดำเนินชีวิตไปตามทางของฉันที่ฉันสนุกกับตัวเองฉันมีความสุขกับเมียสองคนทั้งคู่ไม่มีใครดีเลยแต่ก็ยังบางทีฉันก็อาจแย่พอสำหรับพวกหล่อนใครจะไปรู้เล่าคุณวิลมอดคะเบ็ตตี้กรีนขัด คุณตายยังไงเกิดอะไรขึ้นอ๋อฉันเป็นนิวโมเนียในฤดูหนาวเขาเล่าฉันตระเวนไปทั่วลอนเล่ฉันไอเริ่มปวดหน้าอกและไม่ทันไรฉันก็เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลท้องถิ่นอยู่ที่นั่นไม่ถึงสัปดาห์ฉันก็ป่วยหนักเกินหน้าอกของฉันมันอ่อนแอลงเรื่อยๆหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์จอร์จวิลมอก็เสียชีวิตลงอย่างแรกที่เขาเห็นเขาบอกว่า นั่นคือเจนนี่เขาหวาัวละอย่าเดาไปเลยเจนนี่ไม่ใช่เมียของผมพระเจ้านั่นมันชื่อม้าของผมต่างหากล่ะ